ในปี 2,552 เริ่มจากครอบครัวเราตอนนั้นมีปัญหาใหญ่ต้องรีบหาที่อยู่ใหม่ไปหาแถวตลิ่งชันถามนูน่นถามนี่ไปทั่วและมีคนแนะนำบอกไปดูบ้านนี้สิเห็นเขาให้เช่าอยู่เป็นบ้านริมคลองมีพื้นที่นะมีศ า, าลาริมน้ำด้วยพ่อแม่เรานี่ยิ้มเลยเป็นแบบที่พวกเขาชอบมากๆรืยโทรเรียกคนที่ดูแลบ้านมาคุยก็เลยได้เข้าไปดูบ้าน ต้องบอกถึงลักษณะบ้านบ้านเป็นบ้านตาบอดไม่มีทางเข้าไม่มีที่จอดรถมีทางเดินคอนกรีตเหนือน้านําเดินเข้าไปในบ้านเป็นสวนรอบๆชั้นล่างเป็นปูนชั้น2เป็นไม้ก็อบอกว่าบ้านนี้อยู่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายชั้นล่างทําใหม่เพรโดนน้ําท่วมไปแต่พื้นบ้านก็ยังปู ด, ด้วยไม้กระดานอยู่บรรยากาศร่มรื่นและสงบดีมากมีศ า, าลาริมน้ําแล้วก็ได้เดินเข้าไปดูในตัวบ้านเปิดประตูไม้สองบานออก เราเดินเข้าไปถึงกับประหาเลยที่เห็นคือรูปถ่ายของเจ้าของเก่าเป็นภาพสีขาวดำใส่ชุดโบราณทรงผมก็ทรงโบราณทั้งชายและหญิงอยู่ตรงกำแพงประมาณ 6-7 ถึงรูปเรายืนมองด้วยความอึ้งแม่ก็มองหน้าเราต้องบอกก่อนว่าเรากับแม่มักจะฝันเห็นคนคนเดียวกันบ่อยๆหรือสัมผัสอะไรที่คล้ายๆกันบ่อยข้าวของในบ้านเป็นที่ถูกใจของนักสะสมของโบราณมีดจาน ช้อนเก้าอี้ตู้เครื่องครัวแม้แต่นาฬิกาเป็นของเก่าหมดเลยแม่เราเลยบอกคนดูแลว่าถ้าเช่านี่คงต้องขอให้เก็บรูปนี้ไว้ห้องนึงไปก่อนเพราะลูกๆกลัวคนดูแลจึงบอกว่าเธอพี่เช่าต้องขอห้องหนึ่งไว้เก็บของของคุณยายด้วยแต่ห้องคุณยายใหญ่จะกั้นห้องเป็นอีกห้องหนึ่งให้ละกันขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนเดิมมีสมห้องนอนฝั่งขวาเป็นสองห้องเล็กฝั่งซ้ายเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวคือห้องคุณยายคนดูแลไขกุญแจประตูห้องนอนคุณยายเราอยากรู้อยากเห็นเลยใช้งง หน้าไปดูแล้วก็ต้องรีบหันหน้าหนีเพราะหน้ากลัวเตียงนอนแบบมีเสาเหล็กสี่มุมมีหีบสมบัติหิ้งพระใหญ่มากและกระจกโบราณแบบนั่งพื้นทุกห้องนอนบนเพดานแต่ละมุมเสาจะมีผ้ายันสีแดงสีขาวและสายสีมิติดอยู่ทำให้เราพี่น้องรู้สึกกลัวแต่พ่อแม่ก็ตกลงเช่าบ้านนี้เพราะเขาให้เช่าถูกมากแค่ 5,500 ต่อเดือนเองแม่ของเราบอกว่าเรามาอยู่นี่ดูแลข้าวของ ทำบ้านเขาให้ดีๆก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็อยู่ๆกันไปไม่มีอะไรสงบสบายดีจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งเราคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ข้างบนในห้องเราน้องสาวคนเล็กนอนหลับอยู่ข้างๆที่เหลือดูหนังอยู่ข้างล่างบ้านเราดูหนังเสียงดังพอคุยเสร็จจะนอนแล้วก็ลุกไปปิดไฟนอนตะแคงจูๆก็หูอื้อแล้วเสียงหนังข้างล่างก็เงียบไปได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงบน ในหัวเราเราก็ตกใจจะลุกแต่ขยับตัวไม่ได้จริงพยายามงัดแขนพลิกตัวก็ทำไม่ได้ท่องน้ำโมแล้วแล้วสิ่งที่ได้ยินก็คือเสียงหัวเราะแบบสะใจเป็นเสียงของผู้หญิงแก่เหมือนเดิมตะโกนในหัวว่าสวดทำไมสวดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเราได้ยินเสียงตัวเองหายใจแรงมากน้ำตาไหลเลยเสียงคล่นแกลยังดังในหัวเราก็พวกเธอหัดเคารพกันบ้างให้รู้ซะบ้างที่นี่ที่ไหนเรากลัวมากๆเลยในใจคิดอย่างเดียวว่าคือคุณยายเจ้า ข, ของบ้านแน่ๆเขาก็หัวเราะแบบสะใจไม่หยุดเลยเราได้แต่คิดใน ใจว่าหนูขอโทษพร่ำอยู่ในใจอย่างนี้จนเสียงคนแก่ร้องคําสุดท้ายว่าเออแล้วแขนของเราก็สะบัดไปฟาดใส่น้องแค่นั้นแหละเรารีบเปิดไฟแล้ววิ่งลงไปข้างล่างที่บ้านเห็นเราวิ่งลงมาแบบหน้าตาตื่นน้องชายนี่กระโดดขึ้นไปกอะแขนคุณพ่อรู้กันทันทีเลยว่าต้องเจออะไรกันแน่เราก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่เราเลยดุพ่อบอกแล้วไงว่าให้เบาเสียงไม่เชื่อจุดเราและครอบครัวอยู่กันได้ไปประมาณ2ปีสุดท้ายก็ต้องย้ายออกเพราะลูกชายเขากลับมาอยู่บ้านนี้เราก็เลยต้องหาที่อยู่กันใหม่